วันนี้ก็หลวงพ่อจะมาแนะนำหรืออบรมชี้ทางให้กับพวกเราผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติทำ <c oughs> ละขณะนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบสามนาทีแล้วก็ตั้งใจฟังครับเมื่อตั้งใจฟังดีๆแล้วก็จดจำได้ ถ้าหากไม่ตั้งใจฟังแล้วก็จดจําไม่ได้การไปปฏิบัติมันก็มีข้อสงสัยกังวลใจขึ้นมาผลมันก็ไม่เรียบร้อยไปนั้นดังนั้นที่พวกเราเปิดอบรมวิปัสนาภาวนามาตั้งแต่วันที่สิบห้าวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบแล้วผ่านมารู้สึกว่ามีคนเข้าใจ มาตั้งแต่วันนี้มาวันที่สิบเก้าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบก็มีคนพูดให้ฟังทั้งพระเนนและก็ญาติโยมอีกด้วยว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเรื่องรูปนามแล้วก็ไปปฏิบัติมาหลายที่เหมือนกันแล้วก็ทําหลายวิธีเหมือนกันมาที่นี่ก็เลยเข้าใจก็เพราะเป็นธรรมดาเราทํามานานแล้วก็ต้องรู้ เหมือนกับเอา็ปข้าวไปเพาะไว้ในดินนั่นแหละถ้าหากมันซุ้มเย็นมันก็ออกเร็วถ้าหากมันไม่ซุ้มไม่เย็นก็นานออกนานแตกนานงอกขึ้นมามันเป็นธรรมดาเพราะว่าเราเป็นโยมหรือเป็นพระบางทีพระก็ไปโน้นมานี้ไม่ได้ปฏิบัติให้มันติดต่อกันก็ซาไปเล็กๆน้อยน้อยญาติโยมก็เช่นเดียวกันกิจธุระหน้าที่มีการงานมี ก็ต้องทำให้สักษาไปในระยะที่เรามาอยู่อบรมและมาปฏิบัินี้ตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบผ่านมาแล้วเป็นห้าวันหกวันเข้ามาแล้วกเราได้ปฏิบัติให้ติดต่อกันไม่มีวันที่จะละเลยหรือไม่ขาดช่วงไม่ขาดสายว่าอย่างนัง้นก็ได้ปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ จัอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันจังวอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ต้องเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีเราไม่ต้องพูดแต่ว่าทำให้มันเข้าใจทำจังหวะซะ้าๆแล้วก็รู้นี่บัดนี้บางคนก็มีปีติน่าสงสารอย่างนั้นอย่างนี้มีคนพูดเป็นเรื่องการที่รู้รูปนามเนี่ย บางคนก็ว่าทํำยังไงมันคิดมากด้ว่ยมันไม่เหมือนกันเราต้องทําที่พูดแล้วว่าเบื้องต้นให้รู้จักรูปนามให้เรารู้จริงๆเรื่องรูปนามนี้เรื่องข่มคิดไม่ต้องห้ามมันเลยให้มันคิดแต่เราไม่ปะรูปนามแต่ให้มันรู้จริงๆมาทวนอารมณ์ของรูปนามทวนไปทวนมาไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมแต่มันคิดให้คิดอย่าไปห้ามข่มคิดมันเกิดปีติ ตามตำราว่าปีติความดีใจหรืออิ่มใจพอใจเนี่ยรักใครเป็นอย่างนั้นความปีติอันความปีติอันนี้มันดึงเราออกไปให้มันไม่รู้รูปนามนี่เองมันจะไปอยู่กับอารมณ์เมื่อมันไปอยู่กับอารมณ์ก็เลยไม่รู้รูปนามเมื่อไม่รู้รูปนามนานๆเขาก่อนเศร้าหมองขุนหัวไปบัด น, นี้เรามันคิดคิดดักแล้วไปเรามาทําความรู้สึกกับรูปนาม ให้มันรู้รูปนามนี่แหละรูปน้ําจึงเป็นหลักอันนี้มันเป็นหลักทิ่งไม่ได้รูปนามเนี่ยต้องให้รู้อยู่เสม อ, อวิธีปฏิบัติอย่างนี้แต่ให้มันคิดห้ามคิดไม่ได้เหมือนกับเราขุดบ่อน้ําหรือขุดน้ําบ่อเนี่ยขุดบ่อน้ําหรือน้ําบ่อเนี่ยขุดลงไปทีแรกมันไปเจอเอาน้ําสมมุติให้ฟังพอดีไปเจอเอาน้ําหรือไปเห็นน้ําหรือไปพบออกกับน้ํามันเย็น แต่นานมันไสไม่ได้เราต้องขุดลงไปให้มันลึกแล้วก็มีขันหรือมีอะไรตักตมตักเลนตักดินออกจากบ่อนั้นไปตักออกตักออกหรือวิทออกวิทยออกนะ่ะทางตมทางน้ำเอาออกทั้งหมดเลยบัด น, นี้น้ำข้างในมันจะไหลออกมาไหลออกมาแล้วก็มากวนหรือมาคนมาล้างปากบอ่อหัน น้ำมันจะล้างตม่มล้างเลนที่ปากบ่อนออกแล้วก็ต้องตักออกวิตออกน้ำนั้นใสไม่ได้มันยังสกปรกเนี่ยเมื่อตักออกวิตออกแล้วจักสามครั้งสี่ครั้งเท่าแด็กก็ตามเนี้ยจนมันใสจนมันสะอาดบัด น, นี้มีอะไรตกลงก้นบอ่อเราจะเห็นทันทีอันนี้สมมุติพูดให้ฟังอันมันคิดนั้นไม่ต้องห้ามเหมือนกับตมเลนให้มันคิด ถ้ามันไม่คิดมันจะเป็นอันตรายหรือมันมึนหัวหรือแน่นอกแน่นใจเนะี่ยให้มันคิดแต่ละทําให้มันสบายไม่ต้องวิตกกังวลอะไรลูกก็ได้ไม่ลูกก็ได้บัดนะี้เราต้องลูกับรูปนามนี่มันเป็นลูกเป็นน้ำเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าอารมณ์ของรูปน้ำเนะี่ยให้อยู่กับอารมณ์เหล่านี้ทวนกลับไปกลับมาเราพูดในใจว่าอันนี้มันเป็นลูกเป็นน้ำ เป็นลูกธรรมนานธรรมเป็นลูกโลกนามโลกเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาก็สิ่งเหล่านั้นเป็นสมมุติแลก็รู้สมมุติที่เรามีมากสมมุติบัญญัติปลมัตตบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยะบัญญัติสมมุติผีเทวดาเหล่านี้เป็นสมมุติพญาย่าบ้านกำนันเป็นสมมุติอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าก็สมมติแต่สมมุติบัญญัติขึ้นมาเห็นเราต้องรู้จักอย่างนี้อย่างที่ท่านตั้งพระครูเจ้าคุณ พระราษฎพระเทพพระธรรมเนี่ยเป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติบรญญัติจริงให้เรารู้เท่ารู้ทันรู้จริงๆเรื่องเหล่านี้เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไปตำหนิไม่ได้ทําอย่างอื่นไม่ได้รู้แล้วก็แล้วไปเราต้องอยู่ในใจเราไม่ต้องติดเพราะเรารู้แล้วจะไปติดไปเก้อเขินทําไมผีเทวดาต้องรู้ให้หมดรู้ให้หมดให้ครบให้จบให้ท่วงรู้แล้วไม่ต้องทําลาย ว่ากับข้าวเปลือกเหมือนข้าวเปลือกกับข้าวสารข้าวสุกนี่เองที่หลวงพ่อพูดให้ฟังข้าวเปลือกนั้นเอาว่าเป็นพันธุ์มันเท่านั้นเองกินไม่ได้แต่ทิ้งข้าวพันุ์แล้วไม่มีข้าวสุกกินนี่เราต้องให้รู้จักอย่างนั้นวันนี้จินข้าวสุกแล้วเอาเข้าวสุกเป็นพันธุ์ไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้รู้อย่างนี้แ ล, ล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสานารู้บาปรู่บุญนี่รู้อยู่ในวงนี้ทั้งหมด น, นี้เดียวอารมณ์ลุบนำ ให้ทวนอารมณ์อันนี้แล้วก็มันคิดมากกิแล้วไปเมื่อรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับอารมณ์อนี้ทวนกลับไปกลับมาไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมนี่ให้มันฝังแน่นหรือแนบแน่นอยู่กับความรู้สึกอันนี้แต่มันคิดขึ้นมากลับมาทำความรู้สึกเดินจมกรมมันก็จะเดินเร็วเพราะมันไปตามอารมณ์มากทันจังหวะมันก็จะทําไวขึ้นเร็วขึ้นแต่เราพยายามทําให้มันรู้สึกตัวกับซาไปบางทีเขาหลงไป เข้าไปในความคิดของไว้ขึ้นมันจะเท่นอันเจ็บหัวมึนหัวเจ็บหลังเจ็บเอวหรืออาจเจียนนะ่ะน่ะอย่าไปคิดอื่นไกามันมันมันแสดงเองมันรบกวนเราเองคือตัวกิเลสนั่นแหละมันกลัวเราจะไปปืดมุงดูหน้าดูตามันมันก็เลยมาทําเอามงคั้นมันไว้หรืออะไรปิดไว้ไม่อยากให้เรารู้เมือปเนเราต้องทําศากษาใส้เวลานานก็แล้วไป หากว่าการเปิดอบรมครั้งนี้มีคนพูดให้ฟังหลวงพ่อเ ข, เข้าใจว่าอันนี้แหละพวกเราได้จเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าจเจริญรอยตามพระพุทธศาสนาทำให้คาสอนของพระพุทธเจ้าจเจริญและมั่นคงต่อไปหรือว่าทำให้หลักพระพุทธศาสนาจเจริญมั่นคงต่อไปถ้าหากเรารู้ทุกคนมาที่นี่ล้วก็ต้องมีสมาธิให้เขารู้เหมือนเรา ถ้าหากคนใดรู้มากขึ้นไปแบบ น, นี้ก็ต้องรู้ปรมามัดต้องแนะนําเรื่องปลามัดให้มีคนรู้เห็นรู้ตามเห็นตามอย่างที่เราพูดให้ฟังว่าพุทธะพุทธสังหารมิถะไม่ใส่นะพุทธ อ, อะไรลืมไปเนี่ยเออพุทธานุออ พ, านพุทธังสามารถศีลธทิฏฐิเนี่ยผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลนิทิฏฐิเสมอกัน เราจะรู้เห็นเข้าใจมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามันมันเป็นภาษาบาลีเลยหลวงพ่อไม่เคยรู้แต่ว่ารู้มันก็จํายากมันมักหลงมักลืมถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านของเราแล้วหลวงพ่อพูดสบายเพราะว่ามันมันไม่ต้องไปคิดอะไรเนี่เราเห็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีที่มาแนะนําพวกเรา <c oughs> ให้พวกเราจดจําไว้ให้ได้ไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่สวนที่นาก็ได้ ปฏิบัติไปกับการทำงานทุกประเภทอันนี้เรียว่ากําลังทําการทํางานก่อให้เราดูใจเราบัดนี้มันคิดอะไรเราก็ดูใจเราการเคลื่อ น, นการไหวรูกกายภายนอกนี่เรารู้อันนี้เป็นรู้เบื้องต้นรู้เบื้องต้นก็รู้ขึ้นไปตามขั้นเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าปฐมมาซาน ท, า ท, านตาทานุติยฌานตติยสารจตุทัานปัญจะมาซานมันจะรู้ขึ้นไป ไม่มีโอกาสที่จะถอยหลังถ้าหากเราเป็นคนจริงถ้าเป็นคนไม่จริงแล้วก็ถอยหลังเนี่ยเขาเรียกว่าปุปปะธรมโมอะปุปปะธรมโมนปาลิหานัธรมโมอะปาลิหะนัอะปาลิหานัธนรธรธมโมเจตนาพภะพอนุละคะนพภะปุตุสโตปุตุสโนโคตะลภูหลวงพ่อมันเล่นแข่งไม่เคยพูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราจะหนีได้เนาะโคตะภูไปพูดหนีจากความเป็นปุตุสุน เข้าไปสู่ความเป็นอารียบบุคคลทันวาอย่างนั้นตำลาท่านสออันนี้แหละวิธีที่เรามาปฏิบัติกัรู้สึกว่าท่าหาทุกคนเราทำการอย่างนี้ทุกปีทุกปีก็ได้แต่ไม่ทำทุกปีก็ได้สำหรับทับมิควรเป็นของทุกคนไม่เป็นของใครเลยเพราะว่าเปิดแล้วใครมาเวลาใดก็ได้มาปฏิบัติตัวเองเราต้องการอยากมาก็มาได้แต่ไม่ต้องการอยากมาก็ มาก็ไม่ไม่คุ้มค่าเลยอย่างที่เรามาที่นี่อันนี้พูดตามสำนวณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คเคยเล่าให้ฟังว่าพุทธศาสนาเนี่ยล่วงไปได้ห้าพันปีจะเมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืนเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งจะไปปิดดวงตะเวนหรือดวงอาทิตย์หรือดวงตะวันเนี่ยไม่ให้มีแสงสว่างเลยบัดนี้เมื่อเมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วคนในโลกนี่แหละ ก็อิดหิวเทียไปเพราะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนกับเราอยู่ในถ้ำนั่นเองแบบนี้จะมีเทวดาองค์นหนึ่งมาเปิดโลกแล้วก็ท่านอ้างถึงพระพุทธรูปอิดหินดินปูนเหล่านี้แหละแล้วก็บพระธาตุอยู่ที่ไหนก็ตามจะเหาะไปรวมกันที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เหาะไปพระพุทธรูปและธาตุเหาะไปไปถึงที่นัดหมายกันแล้วก็บรูป ที่เป็นอิฐหินดินปูนแตกออกไปที่เป็นพระธาตุน่นก็แตกออกไปเป็นไฟไหม้ทั้งหมดเลยแล้วบัด น, นี้พระโพธิลกแต่ละองค์นั้นพระธาตุแต่ละองค์นั้นจะมีดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่พระโพธโลูกนั้นไปเกาะหรือไปแทรกซึมในจีวาอย่างไรก็ได้ เ, เท่ากับเล็กนาวบัด น, นี้จะรวมตัวกันเข้า เป็นลูกของเจ้าสายศิทธะปุมา n เป็นลูกพระพุทธเจ้าของเรามาแสดงธรรมให้ฟังเจ็ดวันเจ็ดคืนคนใดมีปัญญาฟังแล้วได้เป็นพระอระหันต์ทันทีคนใดไม่มีปัญญาอ่อนลงมาก็เป็นพระอนาคามีคนใดมีปัญญาต่าลงมาก็เป็นพระสักคิทาคาคนใดมีปัญญาต่าลงมาก็เป็นพระโสดาบันบุคคลคนใดมีปัญญาต่ำลงมาก็เป็นมนุษย์ เป็นคนธรรมดานี่เองหลวงพ่อได้ทําบุญได้ให้ทานและรักษาศีลนึกว่าใครไปเกิดที่ตรงนั้นอยากไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าถ้าหากเรามีปัญญาพอสมควรแล้วก็ีดได้ดวงตายเห็นธรรมทั้งไม่มีปัญญาก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังเอาไว้หลวงพ่อตั้งใจไว้ยอย่างไรแต่ว่าอันนี้คล้ายๆกับพวกเรามาเปิดอบรมหรือมาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ เนื้ออย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละเราก็ต้องปฏิบัติไปตามครูบาอาจารย์เราก็รู้อย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้นี่ว่ามีคนรู้อย่างน้อยก็ต้องสิบกว่าหลายอย่างน้อยนะหลวงพ่อได้สัมผัสหูหลวงพ่อเองพระก็มีเนนก็มีโยมก็มีพูดให้ฟังว่าได้รู้ลูก ร, ร, รูน้ำหลวงพ่อก็แนะนําให้รู้ไปจนจบอารมณ์ภาคต้นแล้วก็เรื่องทางจิตใจได้ยังไม่พูดถึงเราต้องปฏิบัติไป ปฏิบัติไปอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติไปเพราะตัวเราเองเป็นคนปฏิบัติดังนั้นวันนี้จึงว่ามาทบทวนให้ฟังเอาต่อไปก็พูดกันเรื่องที่เราเคยพูดกันเรื่องการทำบุญการทำบุญให้ฐานรักษาศินดีแล้วแต่มันไม่เคยรู้เนี่ยให้เราเข้าใจว่ามันไม่เคยรู้ก็ดีแล้วนั่นทำกรรมาฐานทำความสงบนะี่ดีแล้วแต่มันยังไม่รู้ เมื่อมันไม่รู้ก็ดีแต่ว่ามันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้การฟังเทศฟังธรรมก็ตามการให้ทานรักษาศีลก็ตามถ้าหากมันยังแก้ปัญหาการขัดแย้งในตัวเองหรือตัวเองยังบกไม่เข้าใจยังไม่รู้แจ้งยังไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงนั้นก็แสดงว่าเรายังทาไม่ถูกต้องเรามาทาเพียงระยะตั้งแต่วันที่สิบห้ามาถึงวันที่สิบเก้ามีคนเล่าหลวงพ่อฟัง กับวันที่ยี่สิบเนี่ยคิดแล้วจากสกิบกัวหลาย <c oughs> ก็แสดงว่าเราทําถูกต้องเราต้องมั่นใจว่าเออนี่เราได้พบแล้วคําสอนของพอระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเราต้องมั่นใจในการกระทำหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อนะข่าวนี้หลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมะหลวงพอรู้ตอนเศร้าเ ร, ร, รื่องลูกน้ำหลวงพอรู้ก็ใจเดียวเท่านั้นเอง <c oughs> แต่รู้เหมือนรู้ รู้จริงๆนะไม่มีคนพูดอย่างนี้หรอกหลวงพ่อรู้รู้จริงๆรู้แล้วไม่หลงไม่ลืมรู้แล้วหลวงพ่อก็เลยเลิกเลิกการจากเลิกละจากการทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วหลวงพ่อเลิกในวันนั้นจีว่าทําดีไว้ให้ลูกทําทุกไว้ให้หลานทําดีทํำยังไงทําทุกทําอย่างไงเราต้องแนะนําเขาให้รู้จักสมมุติสิ่งที่สมมุติเราต้องแนะนําเขาลูกลูกห ล, กลา น, ลาน เขาจะได้จดจําเอาไว้เนี่ยทำดีไว้ให้ลูกทําทูกต้องไว้ให้หลานเราทําทูกต้องแล้วก็แนะนำเขาทําจังหวะบ้างอย่างเท่าที่เราปูซาดอกไม้เนี่เทียนสองเล่มก็หมายถึงตาสองตาหูสองหูนะ้ลูกหลานมันสมมุตินะกลางวันไม่ต้องจุกกระได้หรือจะจุกกระได้ก็สอนเขาเราฟังถ้าทันเทศทันสอนหรือพ่อแม่อ้ายน้องสอนเราต้องฟังตาต้องดู ตาดูท่านที่ท่านทํายังไงท่านทําดีหรือทําชั่วเราก็ต้องดูพูดให้เขาฟังเขาก็จําไดนะ้เป็นยังไงอันนี้กลางวังก็ใต้ทั้งวันทั้งคืนเป็นยางไงทูบสามเล่มดีนะลูกหลานทูบสามเล่มจุดลงไปแล้วมันหอมหมายถึงการทําดีพูดดีคิดดีเรก็สอนเขามันเป็นสมมุตินะแนะนาเขาเขาก็รู้จะไม่ต้องทิ้ง และก็ไม่ต้องติดอยู่สิ่งเรานั้นจะเข้าเปลือกเอาไว้ให้พันมันเราต้องรู้อย่างนั้นอันนี้เราไม่ได้สอนกันเลยหลวงพ่อเองก็ไม่เคยสอนทํามาอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ไม่สอนเมื่อมารู้แล้วหลวงพ่อสอนเลยมันเป็นสมมุติอแต่ไม่ทิ้งนี่เราจะว่าทําดีไว้ให้ลูกทาทุกข์ไว้ให้หลานอันนี้เราพูดแต่ไม่ทําดังนั้นพี่พวกเรามาจะเริ่มนิพพานภาวานานในครั้งนี้ก็ต้อง จดจาไปไว้แล้วก็เพื่อลูกเพื่อหลานเราเพื่อพี่เพื่อน้องเราแนะนาให้รู้จักจริงๆถ้าเรารู้จักจริงๆนะถ้าหากไม่รู้จักก็มีความสงสัยกังวลใจมันไม่ค่อยดีดังนั้นมาทำเพื่อให้มันหมดความสงสัยทําให้มันหมดความกังวลใจจิงว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างอันนี้จิตใจสะอาดแล้วเนี่ยจิตใจสว่างแล้วรู้ทางแล้วจิตใจสงบแต่บางทีมันไม่สงบนะ มานจะคิดโน้นคิดนี้คิดไปเรื่อยๆไปเลยแต่ว่ามันเข้าอยู่ในหลักเดียวกันนี้ <c oughs> เรียกว่าเราได้มาจะเริญรอยตามรู้ตามเห็นตามรู้จริงตามควรเป็นจริงเนี่เรารู้จริงจริงผีคือทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเทวดา <c oughs> คือทําดีพูดดีคิดดีแต่ต้องแนะนําเขาอยากเป็นผีหรืออยากเป็นเทวดาทุกคนต้องการเป็นเทวดาทั้งนั้นแต่เราให้รู้จัก ความเป็นเทวดาอยู่ที่เรานี้เองดังนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพูดเคยสอนให้ฟังว่าการศึกษาธรรมะต้องศึกษาที่ตัวเรากั้งศอกยาววานาคืบนี้มีพร้อมแล้วให้เราศึกษาได้ทุกอย่างทันวายอย่างแต่เราไม่เคยศึกษาที่ตรงนี้แต่เราไปศึกษาที่อื่นคนจังหวะไม่รู้จักคุณดี ง, งามไม่รู้จักค่าคุณของศีิตของตัวเอง ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะมีดีขนาดนี้ยกมือไหว้ตัวเองได้เลยหลวงพอ่อตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้แหละ ย, ยกมือไหว้ตัวเองได้อันนี้แหละเป็นการเคารพคุณดีกรมงามของเราไม่ใช่เป็นคนอวดดีแล้วคนมีดีเอามาพูดให้ฟังมีดีเรามีดีทุกคนคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนเยอรมันคนคาเมนคนยวนคนเราคนอินเดียที่พระพรุทธเจ้าตัดสรตวก็มีเหมือนกันนี่เอง คือว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตหนึ่งแต่เราไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าแต่มีทิฏฐิมีความเห็นเหมือนกันเราจะลดมานะลดทิฏฐิลดความเห็นแก่ตัวอ่อนนอนท่ามตนรู้จั ก, จกเคารพนับถือพอ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรอย่างนั้นหลวงพ่อกัมันเป็นนิสัยเดิมๆ ม, ม, มาแล้วเลยหลวงนะพ่อเคยฝึกมาแล้วเเป็นอย่างนั้น อันนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเองก็เป็นแต่ว่ายไม่รู้เขาหนึ่งพ่อตายนี่หลวงพ่ อ, อยังน้อยเอาเอาผ้าขาไปวาดเอารอยตีนนิ้ไว้เอามาไหว้ไหว้รอยตีนนี่มันเข้าใจไปยังบันนี้ก็เอาแตงฝักเข้าให้พอกินนี่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั้นเออคนท่าคนแก่คนหลายคนแต้งไปให้ทางจิตก็เห็นแต่เมียงวันไปตอมเท่านั้นเองแล้วท่านไม่ได้กินเลย นี้มันเข้าใจไปอย่างนั้นนานๆมาบันนี้มีความเจ็บไายได้ป่วยไอดูมอหักไม้ตับ๊บตับไปแล้ววะพอแม่มาทําให้เจ็บหัวปวดท้องเนี่ยอันนั้นเป็นการใส่ลายป้ายสีไม่ดีเรารู้จักแล้วหลอะก็เลิกได้หลวงพอ่อเลิกตั้งแต่วันนั้นแหละเครื่องรางของขันกระตุกบนยันหลวงพอ่อเลิกได้จริงๆมันเป็นสมมุติเนี่ยหลวงพ่อกําลังทําจังหวะหลวงพ่อรูบๆน้ําแล้วก็น้ําตาตกหลวงพอ่อ พ่อหลวงพ่อโง่มากที่สุดเรื่อว่าเจ้าของตะเรียนมณโคงขังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตะเรียนอุคูบามาอมทุลีทุลีกันขอกูมีแผ่นทองกั้งผ้ากันหน้าผากูแก้นปันหิงตีกูแก้นปันเหล็กกันคนแข้งกูทอหนังขาคนขากูทอขนเม่นกูจะเต้กไปได้พยรถยันวาพญามนต์ทางไหนเจ้าหมักตั้งาบาบังตุกูกันเส้นสนเอาโอ้มันหลายมันยาวนี่หลวงพ่อเรียนมามีเงินอิสระด้วยนะ นี่ขันห้าขันแต่ขันสิบสองหุ่นแล้วเอาเงินใส่หุ่นมาลุ้มเรื่องคอตัวเองไม่มีอะไรตอกใจเลยหลวงพอ่อเนี่ยอันนั้นสําหรับคนที่ยังจิตใจอ่อนให้เขาเสื้อไปก่อนแต่เราพยายามให้เขารู้ของจริงแต่เขาถือไปเขาตามมันแต่พยานยาแนะนําให้เขารู้เรื่องรูปนานนี้นลวงพ่อกเ็เลยเลิกเลยไม่กราบไม่ไหวแลยกระุดบนยังก็เลิกเลยทิ้งเลยเป็นอย่างไม่ต้องเอามาแขนขอให้มันหนักเนี่ยหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นถ้าองค์หนึ่ง ข่าวนั้นน่ะถ้าองนั้นดีที่สุดขังศักดิ์สิทธิ์เลยท่านเขาปืนยิงไม่ออกเลยโอ้โหซื้อเขาแปดร้อยข่าวนั้นไม่ใช่ถูกนะแปดร้อยบาทนะข่าวนั้นกางเกงตัวนึงสิบสองสตางค์เท่านั้นเองหลวงพ่อกล้าซื้อแปดร้อยบาทเพราะมันขังศักดิ์สิทธิ์เอาบ้านมารู้อันนี้โอ้ยจะไปที่ไหนเอาไปเถอะหนักหอ นี่แหละคว่ำดีที่มีอยู่ในตัวเราเราไม่เคยเปิดเผยแล้วเนี่ยจะเปิดอบรมเปิดเนี่ยเปิดของที่คว่ำเปิดของที่ปิดเนี่ยงายของที่คว่ำหน้าไขาออกมาให้คนเห็นเนี่ยเปิดอบรมวันนี้อบรมก็แปลว่าซีแนแนวทางให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจแต่คนยังไม่รู้เขําใได้อย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอย่าไปใส่ลายไปสีพ่อแม่เราตายเป็นทีแล้วเป็นขัดซ้งไม่เป็นก็ตาม เรานี่แหละพ่อเราเราเนี่แหละแม่เราเรา น, ารานาี่แหละคือพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเข้าใจอย่างไนทํำไมพ่อเราแม่เราเราเกิดต้นไม่เป็นไหมไม่ได้เป็นเลยเกิดกับคนมันต้องเป็นลูกคนหลวงพ่อพูดอย่างนี้เคยพูดบ่อยๆให้เข้าใจถ้าไม่มีพอ่อมีแม่จะเกิดอะไรมันก็เกิดไม่เป็นเ น, นี่ยคนเดี๋ยวเข้าใจอย่างไ น, นเข้าใจจริงๆหลวงพ่อ เ, เข้าใจอยังไงโอ้นี่เราเกิดมาเนี่ไม่ใช่คนนี่เรามาศึกษาให้รู้จักความเป็นคนเนี่ยอ๋อ คนเป็นคนมันอย่างนี้เข้าใจเองเรื่องของคนมันสับสนวุ่นวายนี่เราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราปฏิบัติตั้งแต่ต้นให้มันจบเรื่องชิวิของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าหากไม่ศึกษาเรื่องนี้หลวงพ่อไม่รู้คนอื่นอาจจะรู้แต่หลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อจึงนําหลักการ น, นี่มาไว้สอนจริงๆหลวงพ่อทําการสอนอย่างนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วเพราะว่าต้องการความจริงอันนี้อันนี้ยอมเสียสละซัก เพราะรักษาอวัยวะยอมเสียอะไรอวัยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตเพราะรักษาโกมจริงคนอื่นจะชวนพูดเรื่องอื่นแต่หลวงพ่อไม่เอาไม่พูดด้วยแต่พูดไปแต่หลวงพ่อไม่มั่นใจเรื่องนี้หลพ่อมั่นใจทําจริงๆเพราะหลวงพ่อรู้อย่างนี้ตอนรูปมัตถ์เนี่ยหลวงพ่อรู้ตอนเย็นระยะป่านนี้แหละหลวงพ่อไปอาบน้ามามันคิดหลวงพ่อไม่รู้แต่ก่อนนี่เหมือนแมวกับหนู แมวตัวน้อยๆหนูตัวโตวมันออกมาแมวไม่เคยกลัวหนูเลยจับหนูหนูมันตื่นนั่นบบบิไปเลยเนี่ยเราลุลนะุ่มน้ำมันตื่นขึ้นมาเลยมันเกิดตีติมันก็เลยฟุ้งกับตีติที่หลวงพ่อมาพูดให้ฟังบัด น, นี้ตีติเข้าไปแล้วกับลูไปลูกบัด น, นี้เราไม่ต้องพูดเลยเรื่องอื่นนะเอาอาหารให้แมวกินแต่ไม่ใส่อาหารคือความรู้สึกนีนะ่ให้แมวแมวคือตัวลูนั่นเองมันกินอาหารมากเพิ่มมากขึ้น หนูออกมามันจับปุ๊บอย่างแรงแมวจับหนูแมวไม่เคยกลัวหนูเลยตัวเล็กๆมันก็ไม่เคยกลัวเลยหนูตัวโ ต, วตวขนาดไหนมามันก็ไม่เคยกลัวหนูสับตายเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ผลในคิดปุ๊บเราทําความรู้สึกความรู้สึกไม่มีแล้วมันจะความรู้สึกอันนี้บ้างเนี้ยหนูมันไปไม่ได้แล้วบนี้เอามากขึ้นมากขึ้นออกมาตัวใดจับตัวนั้นออกมาตัวใดจับตัวนั้นผลที่สุดก็เลยฆ <c oughs> ่าหนูได้เป็น เลยรู้ปามารมัดหลวงพอ่อรู้ตอนแรกอย่างนี้นปรามารัดหลวงพ่อกัไม่เคยรู้ปามารมัดคือของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันนี่หลวงพ่อพูดอย่างนี้คือเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเรื่องวัตถุนี่เองวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนี่วัตถุปรมัตดแปลว่าของจริงอาการสภาพเปลี่ยนแปลงได้หนักเป็นเบามืดเป็นสว่างเป็นอย่างนั้นหลวงพอ่อเข้าใจน้ำหนักหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดบ่อย ร้อยกิโลหลวงพ่อคิดว่าตีด้ำหนักตัวเองไว้ร้อยกิโลเนื้อเอาโซ่มาพ่วงคอเจ้าของนี่ไว้โซ่หลวงพ่อเคยผัดโซ่โซ่บอกพ่วงคอเจ้าของนี่ว่าหนักยังไม่รู้เลยแต่ก่อนพอดีเอาโซ่ออกจากคอตกฟุกออกไปเลยน้าหนักร้อยกิโลไปลบไปเดียวแปดสิบกิโลยังไงกันเนี่ยเหลือยี่สิกิโลโอ๋เป็นพระได้แล้วมุ่การเกณ์อยู่ในข่าวนั้นน่ะ งวงกลางเกงขาสั้นขายาวเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวทางนั้นเป็นต้นสมเพลทางนี้เป็นต้นมะทันเดินกลับตปกลัมาหลวงพ่อเป็งพระได้พระแบบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งหมดเนี่ยจี่วะสินห้าสิลแปดสินสิบสิน 10, สองร้อยสาม้อดีแล้วแต่มันยังไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสมทานเอาที่ไหนหรอกสินจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาวกรรมที่จึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลาง ปัญญาจึงเป็นเครื่องกำจัดจิตอย่างละเอียดเป็นอย่างนั้นจะให้เรารู้จักจริงๆนะถ้าไม่รู้จักจริงเนาะมันจะเป็นการพูดอวดดีมันไม่ใช่มีดเอามาพูดให้เรามีดีในตัวเอามาพูดจริงๆนะน้าจิวของดีมีอยู่ในตัวคนทุกคนไม่ยกเว้นเอาแหละที่หลวงพ่อได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในวันนี้ตอนเย็นทําวัดเย็นก่เห็นวัดสมควรเกินเวลาแล้ว หาที่สุดนี่อาตมาพร้อมโดยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญลอยตามเรืองปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นให้มีสติ ก, กําหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดิน นั่งนอนเท่านั้นก็ยังไม่พอและให้มีสติกำหนดรู้ในเลี้ยบท ย, ย้อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีกว่าให้รู้อันนี้พร ะ, พระเจ้าบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกเราไม่เข้าใจตอนนี้น้องก๊วยไม่รู้ดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเอาอเรื่องจิตใจสะอาดจิตใจสวา่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติจิตใจค่องใสจิตใจว่องไว สามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกลน้นี้จงทุกทุกคนเถอด<า>หลังจากทมบัดเซ่ก็ต้องมาอบรมกันวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด เราเปิดอบรมกันมาตั้งแต่วันที่15เป็นเวลา5วันกับวันนี้แล้ววันที่20นึกว่าทุกคนคงจะรู้ไม่มากก็น้อยการฟังทุกวันพยายามแนะนำกันให้เข้าใจในคำพูดคำหมาย <c oughs> คำพูดมันมาก แต่วิธีทำมันน้อยเพื่อพูดให้เข้าใจ่เองเอาเรื่องนั้นมาพูดให้ฟังเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังแต่ก็พยายามทําให้ขุมรู้สึกตัวให้มากการฟังเป็นว่าฟังแล้วพิจารณาเป็นว่าใส้สติพิจารณาปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นวันอันนี้ฟังแล้วต้องทําทําแล้วให้ปัญญาเกิดขึ้น ให้ปัญญาเกิดขึ้นจะเอาไปแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาคนอื่นนั้นมันไม่ยากถ้าแก้ปัญหาตัวเองได้อันที่มันยุ่งยากอยู่อย่างทุกวันนี้เราแก้ปัญหาคนอื่นมากไม่ค่อยแก้ปัญหาตัวเองมันเกิดความสับสนฟุ้นไว้ยุ่งขึ้นมามันก็เลยทำให้เราเป็นภกดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราหรือพูดให้เราฟัง มีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นดับไปมันตั้งอยู่ก็แสดงว่ามันเป็นภาระหนะักอย่างที่เรายึดเราถือยึดศีลก็หนักยึดทานก็หนักยึดภาวนาก็หนักยึดอะไรก็หนักทั้งนั้นแต่ว่าทำแล้วให้มันรู้ให้มันเข้าใจจิตใจมันนึกมันคิดแล้วก็ผ่านไป ทานไปเราทำอย่างนั้นก็สบายขึ้นมาดังนั้นวันนี้จึงจะพูดกันตั้งแต่เริ่มต้นทุกคนมาที่นี่ได้ให้ทานแล้วได้รักษาศีลมาแล้วได้ทำสมธะกรรมฐานมาแล้วได้เจริญวิปั ส, สนามาแล้วแต่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ การให้ทานรักษาศีลทำสมถะกรรมฐานวิปตนาภาวนานั่นดีแล้วถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองได้ถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองมีการขัดแย้งอยู่ภายในจีดใจตัวเองกอดเสื้อได้ประโยชน์น้อยหลวงพ่อเคยดูดูหนังสือแต่สมัยเป็นเนงการให้ทานจะเป็นสัตว์ในรสารกตนานให้ทานแก่สัตว์เนรสาร ร้อยครั้งพันผลไม่มีอเนกสงฆ์เข้ากับทานให้คนอันธถานคนไม่มีศีลนะคนอันถานบางคนก็ไม่เข้าใจอย่างบางคนก็เข้าใจเป็นอยังไงทานให้สัตว์เด ร, รัจฉานนั้นพูดกับเราไม่ได้มันพูดไม่เป็นมันไม่รู้ภาษากันที่ว่ามันได้ประโยชน์น้อยแม้คนอันธถานถึงจะไม่มีศีลก็ตามมันยังพูดกันได้ เรียว่ามันพบผูกันได้เรีว่ามีอนิสงส์ดีกดให้สัตย์เดลสารบันเนธทานให้คนอันธถานนั่นร้อยขั้งพันหนนสู้ทานให้คนธรรมดาผู้ที่เป็นธรรมดาเ น, นี่ยยังไม่ทันมีศีลข้างเดียวไม่ได้เลยแต่แม้เป็นคนอันธพานแต่ไม่รักษาศีลคุณเนี่ยเป็นอย่างนั้นสู้ทานให้คนธรมธรมดาธรรมดาที่ข้างเดียวไม่ได้เลยเพราะคนนี้ไม่ได้พูดถึงอันธพาน ไม่จดพูดถึงการศกการต่อยเนี่ยเป็นไว้บันทานให้คนธรรมดานี่แหละลอยค้างพันหนสู้ทานให้บุคคลผู้ที่ได้รักษาศินคือเคยรักษาสินเนี่ยข้างเดียวไม่ได้เป น, เน่นี้เพราะว่าคนนั้นไม่เคยพูดถึงศินถึงธรรมพูดแต่ธรรมดาเรื่องการทรมาหากินไปอย่างไงบันนี้นบนพบกับผู้มีสิน ก็ตรงพูดเรื่องศินบ้างเรื่องการปฏิบัติบ้างพูดไปมากๆไปดังนั้นพวกเรามาที่นี่ก็เช่นเดียวกันพูดให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดมาบ่อยๆอยนะ่างนี้บันทิฐานให้คนพู้ที่มีสิน่ร้อยครั้งพันหนไม่มีอเนกสงฆ์เทกับทานให้สมณเณรครั้งเดียวสมณเณรก็คืออย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยสมณเณรหรือสมณะมันเป็นยาก เป็นเหล่าเป็นกอพูดเรื่องบทเรื่องศึกประเจ็บผู้ไป็นั้น uh huh. บัด น, นี้ทานให้สมานเณรอยข้างพันหนสู้ทานให้พระสงฆ์โดยสมมุติเหล่านี้แหละข้างเดียวไม่ได้ทานให้พระสงฆ์ดีกว่าทานให้สมานเณบัด น, นี้ทานให้สมานเณเหมือนอย่าเออทานให้พระสงฆ์รอยข้างพันหนสู้ทานให้ผู้ที่กําลัง คนขัวเลศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาตัวเองนี่แหละขั้งเดียวไม่ได้บันเนทานให้พูดคนขัวหรือแสวงหาธรรมะนั้น 100, ลอยข้งผันหนสู้ทานให้บุคคลผู้ที่เป็นพระเดียบุคคลเหรอพระโสดาบันบุคคลนะขั้งเดียวไม่ได้ทานให้พระโสดาบันบุคคลร้อยคั้างพันหุน อานนี้สงสู้ทานให้พระสกกีทาคาขั้งเดียบไม่ได้ทานให้พระสกกีทาคาลอยขั้งพันหุนอันนี้สงสู้ทานให้พระอนาคามีขั้งเดียบไม่ได้ทานให้พระอนาคามีเนลอยขั้งพันหนุ น, น ส, ส, สู้ทานให้พระอรหันต์ขั้งเดียบไม่ได้เลยทานให้พระ อ, าาา 100, 000, หาอารหรัยยนต์าอาลอยขัง้งพันหุนสู้ทานให้พระพุทธเจ้าขั้งเดียบไม่ได้ ทานให้พระบุทเจ้า100้อยั้งพันหุ่นก็ยังสู้ทานให้พระสงฆ์ผู้ที่ปิอดอธิบุคคลข้างเดียวไม่ได้อันนี้ก็มีความหมายก้วงมากเราพิจารณาให้มันดี <c oughs> อย่างที่เรามาที่นี่มาศึกษาและมาปฏิบัติกําลังค้นคว้าหาทางที่จะแก้ปัญหาตัวเองแสดงว่าบางคนก็ได้พบได้เห็นบางคนก็ยังไม่พบไม่ได้เห็นพูดแล้วก็ไม่เข้าใจบางคน บางคนพูดก็เข้าใจแสดงว่าพวกเราเป็นพระสงฆ์กันได้ทําให้หลักพระพุทธศาสนานี่ยนะมั่นคงทาวรต่อไปนี่วะท า, านให้พระสงฆ์นั่นดีมากหากว่าเรายังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็แสดงว่าเราฟังไปเสยๆเราไม่ได้พิจารณาตัวเองหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันฟังทีแรกก็ยังไม่เข้าใจ ความจริงแล้วผู้ที่ทําให้หลักพระพุทธศาสนามั่นคงทาวร น, นั่นแหละคือเป็นพระสงฆ์แท้เราเคยสวดกันแล้วว่าสุปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโคแต่ว่าพระสงฆ์สาวกของพระเมียภาพเจ้านั้นอยู่่างไรปฏิบัติดีแล้วคือบุคคลผู้ที่ปฏิบัติดีแั้วเนี่เป็นพระสงฆ์อุทุปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโค สงสาวกของพระวิภาคเจ้านั้นบุได์ <c oughs> <ม>ปฏิบัติตรงแล้วคือปฏิบัติตรง ต, ต่อตัวเองปฏิบัติตรงต่อหน้าที่การงานของตัวเองหรือปฏิบัติตรงต่อพระพุทธเจ้ากัวอะไรยายญปฏิปโนพระกัฏโตสาวกสังโฆสงสาวกของพ ร, พระวิภาคเจ้านั้นบุได์ปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เราพูดบางคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนเข้าใจคำว่ารู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนี่ยหมายถึงอะไรคือละามาัปฏิบัติให้มันรู้การเคลื่อนการไหวเพื่อจะจัดการความมืดคือความไม่รู้นั่นเองให้ออกไปเช่นเราไม่เคยรู้ลูปลูน้ำไม่เคยรู้ว่าคมคิดของตัวเองนี่แหละให้มันหมดไปให้มันรู้รูปลูน้ำรู้ของคิดตัวเองนี่แหละ นี่ที่ทางจัตานี่ปุริสานุขานี่อัฏฐาปุริสาบุคลานี่คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระวัโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระภิภาคเจ้าเนี่ยเราก็พูดกันได้แต่บางคนยังไม่เอามาคิดยังไม่ได้เอามาพิจารณาแต่พระสงฆ์ถ้าพูดมากก็ไม่พอใจอันควรไม่พอใจเพราะเรื่องอะไร ก็เพราะมีโมหะมีโพสะมีโลภะนี่เองเมื่อไม่พอใจน่ะรูปกายที่มันไม่รู้แต่ตัวมันรู้คือเวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณรู้วิญญาณแปลว่าเข้าไปรู้วิญญาณคือรู้นั่นเองไม่ใช่ว่าวิญญาณตายแล้วล่องลอยไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์หรือไปเกิดเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง เราไม่ได้พูดถึงวิญญาณที่เราพูดกันนี่วิญญาณที่เราพูดกันเนี่ยวิญญาณไปวารุทุกคนจำได้ที่ฟังหลายครั้งหลายหนบางคนก็ยังมีความสงสัยกังวลใจว่าวิญญาณเนี่ยตายแล้วไปเกิดที่ไหนอันนั้นอย่าไปสนใจมันถ้าเราไปสนใจเรื่องวิญญาณตายแล้วไปเกิดที่นั้นตายแล้วไปเกิดที่นี่อันนั้นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเพราะเรายังคิดออกนอกตัวเราไปเนี่ย คือมันเป็นเรื่องอดีตอนาคตไปท่านบอกว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปเกิดขึ้นที่อดีตอนาคตกับปัจจุบันนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตและบันนี้อนาคตก็ไหลามาที่ว่ากิเลสพันห้าเกิดขึ้นอดีตบ้างเกิดขึ้นอนาคตบ้างเกิดขึ้นปัจจุบับนบ้างเกิดขึ้นอดีตห้าร้อย เกิดขึ้นอนาคตห้าร้อยเพราะเราไม่รู้ในขณะที่จิตใจมันนึกมันคิดเนี่ยปัจจุบันห้าร้อยก็เลยเป็นเรียกว่ากิเลศพันห้าตัน 108, sausage sausage sausage sausage, หาร้อยแปดเกิดขึ้นในอดีตบ้างเกิดขึ้นในอนาคตบ้างเกิดขึ้นกับปัจจุบันบ้ า, บางเพราะเราไม่รู้อดีตอนาคตกับปัจจุบันนี่เองพูดสั้นๆคือเราไม่รู้ปัจจุบันนั่นแหละยัว่าเกิดขึ้นอดีต าสิบหกเกิดขึ้นอนาคตสามสิบหกในขณะเรานั่งเราพูดเราคุยกันนะ่ะเราไม่รู้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทั้งสามสิบหกก็เลยว่าเป็นตันหารอยแปดแต่เราไม่เคยสนใจเรื่องปัจจุบันนี้เอง <c oughs> ดังนั้นการพูดการคุยกันนั้นดีเป็นบางอย่างบางอย่างก็นำความเสื้อมเสียมาทำความสับสวนวุ่นวายให้แก่ตัวเอง บางคนก็เป็นการลบกวนคนนั้นคนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันจ้ะวเราต้องพยายามทําความสงบความสงบนั้นไม่ใช่ว่านั่งแล้วนิ่งแข็งคือทอนไม้ทอนฟืนไม่ใช่อย่างนั้นความสงบนั้นคือเราไม่ทําให้มันรบกวนคนนั้นคนนี้และทั้งไม่ลบกวนตัวเองอีกด้วยจ้นว่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทมเราได้ <c oughs> เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสอนของเราตถาคตไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติไม่ควรสนใจมันว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้นบัดนีด้ทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคําสอนของเราตถาคต ควรศึกษาและควรปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เข้าใจอันไม่เบียดเบียนคนนั้นไม่เบียดคือว่าจิตใจคุณเองเบียดเบียนแต่เรื่องรูป ก, กายที่คนมองเห็นรูป ก, กายรูปฐานนามทำไปทำธุรกิจต่างๆนะคนมองเห็นแต่เรื่องจิตใจมันคิดใ น, นที่เราไม่เห็นจังหวะเรามาที่นี่จะพยายามพูดกันเรื่องจิตใจให้มากเมื่อเราปฏิบัติรู้รูปนามได้ก่อ ทำจังหวะให้มันเร็วขึ้นเดินจงกลมให้มันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นเร็วมันไวขึ้นไวขึ้นเราก็ทํามันคิดมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันจะไม่ได้ปรุงถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมันก็คิดปรุงไปนี่แหละเบียดเบียนตนเองบางทีก็ไปอิสาตาร้อนคนนั้นคนนี้เนี่ยเบียดเบียนคนอื่นไปแล้วบางทีคิดดีแบบ น, นี้ ยังให้เขาได้ลําบากอยู่ก็มีอันนี้กับเบียดเบียนเขาเราคิดดีนะสมมุติเอาเราอยากทําอย่างนั้นอยากทําอย่างนี้ไปสักส่วนเขาให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนีน้แต่เขาไม่พอใจบางคนอันนี้ก็เป็นการเบียดเบียน เ, เขาบ้างแต่ว่าเราต้องพยายามทำคนเข้าใจกับตัวเราจริงๆซึ่งใดที่มันไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดมาปฏิบัติธรรมมาดิบมาฝึกหัดดับนิสัยเพื่อให้เราลดมานะ ลดทิฏฐิลดความเห็นแก่ตัวถ้าหากปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะมีมานะมีทิฏฐิความเห็นแก่ตัวอ น, นั้นไม่รู้รู้แต่ใจมันไม่รู้มันรู้แต่เพียงเข้าหูใจมันไม่รู้ใจมันไม่รับรู้เอยานปฏิบัติธรรมะให้ใจมันรับรู้ให้ใจมันเข้าใจ เมื่อจิตใจมันเห็นจิตใจมันรู้จิตใจมันเข้าใจจิตใจมันรับรู้ได้แล้วจิตใจมันนิ่มนวลลงไปการพูดการจาการทาการทำงานพูดคิดมันต้องระวังอย่างรเราต้องเห็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่เห็นกับไม่ระวังนี้ยคนกับไปตามอารมณ์แนละ้วเมื่อไปตามอารมณ์ก็ทำผิดพูดผิ ด, ดคิดผิดเมื่อทำผิดพูดผิดคิดผิดเป็นไงก็นำทุกมาให้แลย กรรมันก็ไม่สมกับที่เราว่ายายยะปฏิปันโนพระคว่าโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระพุภาคเจ้านั้นหมูไดปฏิบัติเพื่อรู่ทำเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วเนี่ยมันออกจากทุกไม่ได้อนนะไรจิว่าให้เรารู้จักคําสวดตอนเศร้าตอนเย็นมาที่นี่บางทีก็ไม่ต้องการสวดให้มากเพราะว่าเราต้องการทําให้มากเพราะการสวด น, นั้น่ะ ทุกบ้านสวดกันได้ในบ้านในเฮือนในครวัวล้วก็สวดกันอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันละควมโลภข่มโกรธวมหลงได้น้อยลงไปบ้างไม่หรือวยังเหมือนเดิมถ้ามันยังเหมือนเดิมก็สุดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยแต่ไม่ได้ห้ามนะเราพยายามการฟังเทศฟังธรรมการสวดการบน่นทุกสิ่งทุกอย่างนนเนี่ยถ้ามันยังเกิดไม่เกิดปัญญา แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้กดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ได้คุ้มอะไรเลยสุดน้อยก็ตามทำน้อยก็ตามถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองได้นั่นแหละมีค่ามีคุณมากถ้าหากเราเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าเข้าใกล้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่เราสวดกันว่าพุทธานุพุทธังสามารถสิริทิฏฐิ ผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลได้ที่ถิ่เสมอกันเราต้องรู้ต้องเข้าใจความเห็นความรู้ความเข้าใจนั่นก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเดีวยวตัดสู้ตามวันนี้เราให้ทานมาเท่าใดวันเท่าใดปีมาแล้วเรารู้ไหมเราเสราคมโลกมโกรธโกหลวงได้ไหมเรารักษาศีลมาเท่าใดปีแล้วเราทำสมถกรรมฐาน วิจพัฒนาภาวนามาเท่าไหร่ปีแล้วเราละได้ไหมหรือเราหยุดเราเศร้าได้ไหมท่านละไม่ได้หยุดไม่ได้เศร้วไก่ไดเอาไว้ก่อนมาทําสิ่งนี้ลองดูลงพ่อเข้าใจว่าทําสิ่งนี้แหละที่มานี่แหละถึงยังไม่รู้ก็ได้ยินได้ฝังท่านพูดให้ฝังแล้วก็พยายามมันจะโกรธขึ้นมาไม่ได้ทุกแล้วผิดแล้วมันจะโกรธขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรเพราะโมหะนั่นเอง เพราะเราไม่เห็นจิตเห็นใจเห็นชีวิตเหล่านี่แหละจิ๋ว่าให้เราดูที่ตัวเราอย่าไปดูคนอื่นให้มากเกินไปถ้าดูคนอื่นมากเกินไปก็เป็นคนหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจหลงชีวิตจิตใจตัวเองอดังนั้นชีวิตจึงมีค่ามากที่สุดซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ไม่มีตลาดขายชีวิตคนเลยชีวิตสัตว์ก็ไม่มีที่ขายตายแล้วค่อยแล้วไปเท่านั้นเอง ดังนั้นคุณดีคงงานเนี่ยจะให้คนอื่นสร้างแทนเราก็ไม่ได้เราสร้างเองไม่มีคนอื่นสร้างให้เราผมัวก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสร้างให้เราเลยเราสร้างเองเราสร้างขมัวหรือเราสร้างขมวดีเราจะเห็นตัวเราได้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนดังนั้นเราเคยตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนื้อไปทาบุญ ไปรักษาสินไปที่ไหนขอตามจับทูบไปทันทีเลยสองสามเนี่ยเทียนสองเล่มดอกไม้ก็มีทูบสามเล่มจุดไปเพื่อประโยชน์อนไนเราไม่รู้ทำตามตามกันมาอันนั้นเป็นภาษาสอนเด็กพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานไปทำวัดด้วยก็สอนเขาเราไม่เคยสอนกันเลยเรื่องของจริงสอนให้กันติดเนี่ย มันก็เลยยึดเลยถือเพียนสองเล่มลูกหลานการทำวัดตาสองตามองสว่างดีไหมเนี่ยล้วก็สอนเขาหูสองหูฟังแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเพียนสองเล่มจุดลงไปนี่หมายถึงอันนี้มันเป็นสมมุติสอนเขาอย่างนี้เขาเว้าหลายครั้งหลายหนเข้าใจเด็กน้อยก็เข้าใจหลักพุทธศาสนาได้ถ้าพูดบ่อยๆมันก็เข้าใจ ทูบสามเล่มจุดลงไปนี่ลายหินได้อยู่ก็ได้หอมก็หอมหมายถึงการทําดีการพูดดีการคิดดีถ้าทําดีพูดดีคิดดีเลยมันหอมในทางตรงกันข้ามถ้าทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีมันเหมินเราต้องสอนเขาอย่างนั้นอันบุญนั่นดีแล้วที่ทํานั่นดีแล้วแต่ว่ามันไม่เข้าใจเราไปยึดไปถือ แต่ว่าให้ทําแต่ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ทํามันเป็นเรื่องสอนคนที่ยังไม่รู้เรามาที่นี่พูดให้ฟังความจริงพ่อแม่ตายไปแล้วน่ไปหาว่าพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้มาอยากได้กองบุญกองทานนําทําบุญอย่างนั้นทําบุญอย่างนี้กวดให้ความเจ็บใข้ได้ป่วยก็าหายไปเราคิดไปอย่างนั้นเราคิดดูที่คนที่มีลูกมา อาหารตกไปในปากตัวเองแล้วลูกยื่นมือขึ้นมาเอาออกมาให้กินพอแม่ตายไปแล้วยังไปใส่ลายไปสีเรียกว่าถ้าพูดไปอย่างที่ตามกรมพี่ห่งลูกเป็นคนประมาทเป็นคนอกตัญญูเมื่อท่านยังยุดีมีแรง่ะไม่คํานึงเลยเป็นยังไงเมื่อท่านเจ็บใครได้ป่วยมาแล้วก็เอาไปหาเากินข้าวบอสอย่างนั้นอย่างนี้มันจวนจะตายแล้วยังจะไปเลียงท่าน มันก็ไม่คุ้มค่ากับที่เราเป็นคนเราต้องรู้จักบุญคุณของท่านบ้างท่านเลี้ยงเรามาเราต้องรู้จักลูกเก้าคนสิบคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้คนมีท้องไปเดี๋ยวนี้พอแม่เลี้ยงลูกมาเก้าคนสิบคนเลี้ยงได้มาเป็นอย่างนั้นจึงว่าเราเกิดเป็นคนต้องให้รู้ว่าความเป็นคนอยู่ที่ไหนกันแน่ไม่ใะเกิดจากคนก็เป็นคนที่ แข้งขาหน้าตามือเท้ามันก็เป็นคนติดแต่จิตใจยังไม่ใช่คนท่านจี๋ให้ศึกษาความเป็นคนอยู่ที่ไหนกันแน่เรื่องของคนไปนยังไหนกันแน่หน้าที่ของคนปฏิบัติอย่างไหนกันแน่เราต้องศึกษาและปฏิบัติมาที่นี่ก็ต้องพูดให้ฟังย้ำแล้วย้ำอีกหนึ่หน้าที่ของคนปฏิบัติขั้นต้นให้รู้จักเลือนซันกันขึ้นไปเลื่อนซันกันขึ้นไป จนถึงมีศีลมีธรรมจริงวะตำนาท่านบอกว่ามีปฐมมาสานมีทุติยสานมีตัดติยสานมีจัตุทัสานมีปัญจมาสานท่านวันปฐมมสานท่านว่ามีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารณปีติสุขเอกขตานั่นอยู่ที่ไหนผไม่รู้ทุติยาสานเนี่ยท่านมีองค์สี่มีวิจารณ์มีปีติมีสุก มีเอกขตาท่านอันนี้เป็นทุตติญญาซานติญญาซานค่มีองศาหนึ่งมีปีติมีสุขมีเอกขตาอยู่สี่เดย์คนยังไม่รู้เลยมีแต่พูดบนกระยองอย่างนั้นแต่ไม่รู้ความหมายยัตุทัศา์มีองสองแบบนี้คือมีสุขกับมีเอกขตาปัญจมัสานก็มีองสอง มีสุขกับมีโอเปขาเป็นไงตาําราแต่เราไม่รู้คําพูดมันพูดได้สุขอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เอกคตาอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เรามีแต่พูดกันแบบนี้เรามาปฏิบัติธรรมาที่นี่ต้องพยายามดูใจเราจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้ให้รู้เท่ารู้ทันหน้าที่ของมันมันจะทําเองมันไม่ต้องไปกดดันอันไดมันมากที่เรามาที่นี่ ถ้าเราไปบังคับกดดันมันมากมันไม่รู้ศินเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาบเลนสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียด<ม>กิเลสอย่างยาบ ก, ก็คือโทสะโมหะโลภกิเลสตัณหาอุปทานนี่เองนี่แหละยาบทที่สุดถ้าสิ่งนี้ยังมีอยู่ในบุคคลใดมันมีโอกาสที่มันจะสวยไปทําชั่วได้ ดังนั้นเราให้เห็นแจ้งกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นแจ้งกับสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเราเป็นปกติอันปกติก็คือมีสิลถ้าผิดปกติไปแล้วไม่ว่าไม่ใช่คนนั้นผิดปกติไปแล้วเอียงไปทางไม่ดีก็มีเอียงไปทางดีก็มีมันผิดปกติดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าหากมีพระธรรมวินยยัยโยนมืผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ ตามพาธธรรมวิญาณของพระพุทธเจ้าเนีย่ยมักผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้นิพพานก็หมายถึงดับความทุกข์ดับความร้อนดับความสับสนวุ่นวายไม่ให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือ น, นิพพานนิพพานจะบอกความเย็นอกเย็นใจไปไหนมาไหนเขาไม่เดือดร้อนถนนนิพพานบัด น, นี้หากภิกษุภิกษุณีอุบาสกบสิกาอยู่โดยชอบ พระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกนี้แต่เราไปเข้าใจเรื่องพระอรหันต์นั่งทางในดูลอตเตอรี่หรืออะไรเล็กท้ายอะไรจะออกเราไปเข้าใจอย่างนั้นหรื อ, อยานนั้นก็ต้องเหาะได้หายตัวได้จำศาสตร์ได้เนี่ยเข้าใจไปยานนั้นอันนั้นดีแล้วแต่มันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ถึงจะนับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลครบทุกไม่ก็าตาย ถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็แสดงว่าคณรู้นั่นดีแล้วแต่มันยังไม่มีประโยชน์ดังนั้นพระอรหันต์ก็หมายถึงปกตินั่นเองถ้าผิดปกติไปแล้วไม่เป็นพระอรหันต์ได้อันนี้หนวงพอ่อรับรองรับประกันคำพูดของตัวเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าพจนสอนเอาไว้ดีแล้วแต่เราไปเข้าใจลึกมากเกินไปเราต้องดูจิตใจอย่างที่ญาติโยมเนเพื่อนพิสูจสมเณร นั่งฟังผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้ในะขณะนี้นะี่นี่แหละคือปกติจริงๆถ้าผิดวันไหวไปจากนี้ก็ไม่ใช่ปกติแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องเห็นยังว่าพวกคนที่เคยพูดให้ฟังทุกเ้าทุกเย็นเพื่อทำผมเข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาครั้งสุดท้ายนี่ว่าสัตว์ทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราแต่ทคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่ทคตนี้พระพุทธเจ้าไปถึงที่สุดของพวกที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละท่านจึงสอนวถึงที่สุดแล้วและจึงนํามาสอนพวกเราทั้งหลายนี่แหละให้พวกเราทั้งหลายนี่แหละประพฤติปฏิบัติตามที่แรกมันปฏิบัติตามไม่ได้ก็ต้องสอนกันวิธีธรรมวิธีพูด แล้วก็ทำพูดแล้วก็ไปปฏิบัติตัวลงกระทำตัวปฏิบัติคือปฏิบัติทางรูปกายนี้ยกมือไปยกมือมาเคลื่อนไหวโดยพิเตโกให้ดูอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทางกายวันนี้จิตใจมันนึกมันคิดเราเห็นเรารู้นั้นเป็นการปฏิบัติธรรมทางจิตทางใจอันนี้ใช่ไหมการปฏิบัติธรรมน่ยอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ถ้าเรารู้ถ้าเรารู้เรื่องรู้วิธีการทําแล้วอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอยู่ทุกมิถินเมิสายคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทุกมิถเห็นไม่สายก็หมายถึงทุกคนนั่นแหละอยู่คู่มิถินิมิสัยนั่งอยู่ที่ไหนก็มีมิถิหเมิสายไม่ใช่ว่าทุกมิถินเมิสายเลยตัวคนไปยืนอยู่ที่ไหนก็แสดงว่าที่นั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมให้รู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงอยู่กับทุกมิถิหิมิสายก็ตัวเรานี่เอง ดังนั้นที่ดลวพ่อนํามาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตตะกี้ใจวันนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแล้วแต่ตั้งอกตั้งใจทําเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงช <c oughs> ีวิตนี <c oughs> ้ซื้อไม่ได้ขาย <c oughs> ไม่ได้จริงๆเราจะทุกหรือเราจะไม่มีทุกเท่านั้นเองถ้าเราอยู่โดยความไม่รู้กับอยู่ด้วยความทุกถึงจะมีเงินจากมื่นล้านแสนนังก็อยู่ด้วยความไม่รู้ก็ไม่ทุกอยู่นั่นเองไม่มีเงินจากสถานก็ตามอยูด่ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริง ด้วยความเข้าใจแล้วก็แสดงว่าไม่มีทุกนั่นเองเป็นอย่างนั้นเอาแหละที่ผมเนื้ออัตมาได้ให้เขาคิดเป็นเครื่องเตือนจิตทกิจใจหลังจากการทำวัดสวันนี้ก็เห็นว่าสมผลใน เ, เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระ ส, สงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอากุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้า และคุณของพระลันตาสาวกพระสมาสมพระเจ้มาเตือนจิตตะกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้จเจริญลอยตามเนื้อประพฤติตามพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้หรือตัดเอาไว้วัดสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือกับพระพุทธเจ้าจริงๆสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกับพระเจ้าจริงๆสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตถาคตเป็นคืออย่างที่เราสวดกันว่า พุทานุพุทธังสามารถศรีลทิฏฐิผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลได้ทิฐิเสมอกันมีอันนี้พิแตไม่มีอ น, นั้นแต่มันคนละมุมกันบัด น, นี้ข้อที่สี่ท่านว่าทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาถาคตนี้ จะรู้อะไรเห็นอะไรเป็นอะไรมีอะไรคือรู้เห็นเป็นมีคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติจิตใจปกติก็แปลว่ามีอะไรมันกระทบก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจอย่างที่เราเคยพูดกันไว้จิตของบุคคลหรือผู้ใดตั้งมั่นไม่วันไหวคือไม่วันไหวนะั่นคือจิตปกติ ต่อโล ก, กธรรมหรืออารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยคนจะมีมาสบมแล้วก็ตามมานินทาแล้วก็ตามคือไม่วันไหวอันนั้นคือจิตใจของทุกคนมีแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไม่ใช่จะมีแต่จิตใจของพระพุทธเจ้าผู้เดียวแต่จิตใจพระพุทธเจ้าเห็นที่แรกท่านกล่าว่าโอ้นี่อันนี้มันไม่มีเรื่องอะไรมันที่มีเรื่องคือมันมารบกวนแล้วรั บ, บมันมันมั่นไหวเท่านั้นเอง ดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นออาคือ